ชีวิตทั้งชีวิตคือการสูญเสียมาตลอดแต่ที่เราเพึ่งรู้สึกว่าสูญเสียก็เพราะเรายึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นสูงมากชีวิตคือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับการหายไปของใครต่อใครให้ได้ถ้าไม่ลืมค้นหาความหมายให้เจอหน้าที่ของคนหายไปก็จะเสร็จสิ้นสมบูรณ์มองย้อนไป ไม่มีใครเก็บใครไว้ได้สักคนเหมือนพวกเรามีชีวิตอยู่เพื่อเรียนรู้วิธีนับคนที่หายไปเพื่อทำใจว่าอยู่ด้วยกันอย่างไรให้เป็นสุขจากกันอย่างไรให้เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นการสูญเสียชนิดไหนในทางพุทธท่านให้มองว่านั่นเป็นนิมิตหมายเป็นสัญญาณบอกที่ประเสริฐเรานในชีวิตคนเรา สิ่งที่ดีที่สุดเลยคือการรู้ความจริงไม่มีอะไรในชีวิตที่ดีไปกว่าการได้รู้ความจริงความจริงคืออะไรความจริงคือตั้งแต่เรามีชีวิตมาเราเข้าใจผิดมาตลอดว่าเรามีนั่นมีนี่แต่จริงแล้วเราไม่เคยมีอะไรจริงๆเลยแม้กระทั่งลมหายใจของเราเองแม้กระทั่งเลือดเนื้อของเราเองแม้กระทั่งความรู้สึก ความหมายจำแบบนี้วันหนึ่งเราจะต้องทิ้งไปทั้งหมดสิ่งที่เราจะเอาไปได้ก็มีแค่กรรมที่ทำไว้กรรมซึ่งพระพุทธเจ้าสันเสริญอย่างที่สุดก็คือกรรมในการฝึกที่จะยอมรับให้ได้ว่าอะไรอะไรไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตนเป็นของชั่วคราวกรรมแบบนี้ ทำให้เราหายกระวนกระวายได้ตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่วิธีเจริญสติถอดถอนความเศร้าความรู้สึกเศร้าโศกอะไรอาวรความรู้สึกยึดติดถอนไม่ได้ให้นับไปเลยว่าขึ้นต้นมาที่ลมหายใจไหนมีอาการก่อกวนบีบคั้นหัวใจเพียงใด ให้ยอมรับตามจริงเสร็จแล้วหายใจต่อไปเรื่อยๆแล้วรู้ว่าอาการที่ร้อยรัดที่มีความบีบคั้นหัวใจนั้นเพิ่มขึ้นหรือว่าลดระดับลงเอาตามจริงที่ละลมหายใจเราเห็นไปเรื่อยๆว่าความโศกเศร้าความเสียใจหรือความรู้สึกทิ้งไม่ได้ที่เป็นโคตเงาของความรู้สึกในตัวตอนนี้ต่างไปที่ลมหายใจไหน หรือว่ายังคงเส้นคงวาอยู่ที่เดิมเรายอมรับตามจริงไปเรื่อยๆในที่สุดจะมีลมหายใจหนึ่งที่พบความจริงว่าที่นึกว่าทุกจะไม่หายไปที่นึกว่าทุก์จะ ก, ะก่อลุมหัวใจเราอยู่ตลอดในที่สุดก็ค่อยๆ ค, คลี่คลายไปตามลำดับความทุกข์นั้นหายไปโดยที่เราไม่ต้องใช้เวลารอนานมาก ไม่กี่ลมหายใจที่มีสติเปิดโอกาสให้ความจริงเผยตัวเองขึ้นมาตัวนี้ที่เราจะบอกกับตัวเองได้ด้วยสติในขณะนั้นว่าความทุกข์ทางใจไม่เที่ยงยามสูญเสียความซึมเศร้าจะทําให้รู้สึกสูญหายเนิ่นนานอาการสติแตกจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น ส่วนการคงสติไว้รู้สึกถึงธรรมดาของความไม่เที่ยงรอบด้านไม่ต่างจากที่รู้สึกได้ในลมหายใจเข้าออกของตนเองจะทำให้ใจไม่เสียหรืออย่างน้อยไม่ทำให้เสียใจเกินจริงด้วยเหตุนี้ผู้ฝึกมองความไม่เที่ยงของลมหายใจเข้าออกจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เตรียมรับความสูญเสียโดยไม่เสียใจเป็นผู้หนึ่ง ที่อยู่บนทางถอดถอนความทุกข์ออกจากใจเสียได้